ที่ปรึกษา 1. พระมหาทิรนาศอัคทีโรวัดป่าภูพาสูงนครราชสีมา 2. พลตำรวจเอกประชาพรหมนอก 3. ห ม, ม่อมราชวงศ์ทองศิริทองแถม 4. คุณสีประภาคล่องคำนวณการ 5. คุณวสินเตยทิติคณะผู้จัดรมนำโดยคุณหลวงหรือคุณสุทัศน์ชานวิเศษ